ขอความสุขความเจริญจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงพระพุทยญาณในวันนี้จะได้พูดถึงรับสั่งของพระพุทธเจ้าที่เล่าให้พระอนุรุทธเทระปนันทิยะและพระกิมพิละฟัง เกี่ยงสุงเนื่องจากพระนุรุธท่านไปเจริญบริกรรมสมาธิเพื่อได้ทิพยจักสุกแล้วมีปัญหาว่าการเห็นรูปทิพของท่านเนี่ยบางทีวัดเดียวก็หายไปบางทีอยู่ระยะหน่อยหนึ่งก็หายไปคื อ, อยังไม่สามารถจะติดต่อกับรูปที่เป็นทิพได้โดยตรงพเจารวรับสั่งเล่าเป็นแจกความว่า ในการทำนองนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาแล้วก็รับสั่งเล่าถึงพระองค์ในสมัยที่ส่งมาเป็นเพียนอยู่ก่อนการสัสรุข้อความนจะขึ้นลักษณะเดิมว่าเมื่อเรารเป็นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัสรุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียนมีตนส่งไป ก็ข้อความตอนนี้จะพูดเฉพาะช่วงที่ปรากฏนิมิตคือกำหนดนิมิตในอารมณ์ของกรรมฐานตัว น, นี้ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันใ น, ในแวดวงของการเจริญกรรมฐานจากการไปบรรยายปรุ่มนักเรียนที่วัดว่าปูกแก้วมาหกปีแล้วปัญหาแนวนี้เรียวกว่ามีทุกครั้งราส่วนใหญ่ก็จะไปตอบคำถาม แล้วเด็กก็จะเจอสภาพในลักษณะอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องก็มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตนี่จะปรากฏมากรับสั่งว่าอนุรุธทั้งหลายคือหมายความว่า น, นี้เป็นสำนวนบัลีอย่างหนึ่งนะคือว่ามีพระเถราชอยู่สามรูปแต่ถ้ามากแล้วจะจะไม่ใช่อย่างนี้จะใช้คำว่าพิกเวดูก่อนพินสุททั้งหลายแต่พอดีตรงนี้ก็มีแค่สามรูป จึงใช้ว่าอันรุ้ทั้งหลายก็หมายถึงพระนันทิยะแล้วก็พระ ก, กิมพิละด้วยนะฮะเมือกับภาษาริบุตรเนี่ยฮะคือบางทีเรียกภาษาริบุตรเป็นพระพุทธเพราะว่าท่านไปไหนก็คู่กับพระโมคคัลลานะ แต่บาลีเวลาเรียกเปียงเรียกว่าสาปิสาลิกุตรโมุคลานาสาริกุตโตจัมุคลาโนจ ะ, ก, ะ, นจะก็จะออกมาอย่างนั้นแต่บางทีเราก็เจอว่าเออภาษาริบุตรนั้นมีอลาปณะนะคือบทเรียกเนี่ยเป็นภูพุทธเออแสดงว่าสองรูปก็หมายถึงพระโมฆลนาด้วยข้อความตรงนี้รับสั่งว่างานรูทาทั้งหลายนิมิตนั่นแหละเธอพึงแทงตลอดเธอ แม้เราเมื่อครั้งก่อนแต่การจดสรัรู้ยังไม่ได้จดสรัรู้ยังเป็นประโพธิสัตว์อยู่ก็จำแสงสว่างและรูปตัางหลายได้ต่อมาไม่นานรูปและแสงสว่างเหล่านั้นก็หายไปก็เกิดสงสัยว่าอะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปเหล่านั้นหายไปเมื่อคิดอยู่อย่างนี้ก็เกิดความรู้ดังต่อเป็นนว่าคือพวกเกิดเนี่ยมันเยอะ เันข้อความประโยคต่อไปเนี่ยคงจะนานหน่อยนะมันก็หลายเรื่องนะฮะก็หมายความมาพวกกิเลสเนี่ยมันเยอะแต่ก็สิ่งที่น่าศึกษาคือกิเลสบางคําเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นทั้งหมดก็เป็นอาจารอาการของนิวรนนั่นแหละอาการของโลกอดลงนั่นแหละเพียงว่ามันก็แสดงอาการออกมาต่างต่างการแรกก็คือความเ ค, ครียดแกร่งสงสัยข้อความเนี่ยจะเหมือนเดิมนะฮะ เกี่ยับประเด็นไว้อย่างนข้อความเหมือนเดิมก็เป็นอุปการคุณแก่การปฏิบัติสมถกรรมฐานของผู้ที่เจริญสมาธิรับสังว่าวิกิจ่าความลังเลเกิดขึ้นแก่เราแล้วสมาธิก็เราเคลื่อนแล้วก็เพราะมีวิจิกิจ่าเป็นตน้นเหตุการสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างแในการเห็นรูป ก, ก็หายไปเราจะกระทําโดยการที่วิจิกิจ่าจะไม่บังเกิดขึ้นแก่เราได้อีก ก็ว่าไปอย่างเงี้ยจะหมายความว่ามองตัวปัญหาแล้วก็มองสาเหตุของปัญหาแล้วก็มองทางออกจากปัญหาเหมือนเดิมที่พูดไว้ในวันก่อนเวล่การตรงนี้มนไม่ใช่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเกิดตามปกติแล้วเช่นการมองปัญหาทั้งหลายที่เรามองกันอยู่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อเสนอของพวกเอ็จอทั้งหลายหลองสังเกตนะ่ะไม่มีทางออกให้ พูดมันไปอย่างนั้นนะค้าบคอันนั้นก็อนุรักษ์อันนี้ก็อนุรักษ์อันนนก็อนุรักษ์ไม่ต้องทําอะไรกันคนจะเพิ่มมายังไงเงินทองจะต้องใช้จ่ายอย่างไงไฟฟ้าจะทำอย่างไงน้ําประปาจะทำอย่างไงเนี่ยไม่ต้องทําไม่ต้องพูดะการเกษตรกรรมจะต้องทำอย่างไงจะใช้น้ําไปเพื่อการเกษตรคือไม่สามารถเข้าใจในกระบวนการของเหตุผล เพราะว่าการําความจริงเขื่อนก็ดีอ่างเก็บน้ําก็ดีเนี่ยมันก็มีสาธะเมือนก็ตุ่ม น, นั่นเองเราก็เก็บน้ํามานานแล้วกัเก็บน้ํามาตั้งแต่ไหนตั้แต่ไรมาแล้วน้ําต้องมีเหลือใช้ในกรณีต่างๆเพราะน่ะเราก็เก็บน้ําเพื่อเรื่องอื่นเพื่อรถผักเพื่อรถอะไรอะไรเนี่ยเพื่ออาบก็ เ, เรียกว่าเพื่ออุปโภคเราก็ตุ่มเพื่อน้ําบริโภคทีนี้เขื่อนเนี่ยถ้ากั ก, กได้แล้วมันใช้ได้หมด ทั้อุปโภคทั้งบริโภคทั้งการประมงทั้งเลี้ยงสัตว์สารพัดไร้ช้ได้แต่เราก็คิดจะอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้ทําอะไรคืออนุรักษ์มันอนุรักษ์แต่หมายความว่าคนเราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ไปเรียกว่าบริโภคเสร็จ ท, ทรัพย์ไปมันคุ้มค่าจะอนุรักษ์ส่วนหนึ่งก็อนุรักษ์แต่ว่าตอนต้องใช้สอยก็ใช้สอยไม่ใช่อนุรักษ์กันทั้งหมดปล่อยคนตายปล่อยคนไม่มีที่อยู่มันไม่ใช่อย่างนั้น หือก็แปลกคือไม่มีทางออกให้พวกนี้ตั้งแต่สังเกตมานานแล้ ว, ลวเขาพูดอะไรเนี่ยก็พูดมันเพลินไปไงั้นนะแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรขอแค่ได้มันว่ากันเท่านั้นเองคือฟังพวกเรานี้พูดแเราฟังไม่ตลอดมันอึดอัดมันไม่มีหลักการอะไรแล้วเขาแสดงพลังของผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเท่านั้นเองบ้านเมืองพวกนี้เคลื่อนไหวอยู่มากแล้วก็หนักกันนะ น อ, อกจากที่ออกมาคือว่าเอ็มทีโอที่จริงพวกบางทีก็เป็นพวกองค์กรมูลนิธิตั้งหลายที่ก็ดีๆนะก็เยอะนะฮะแต่หมายความพวกเคลื่อนไหวที่ปนกันเมืองเนี่ยที่เราสังเกตว่ามันมีไม่กี่คนโผล่หน้ากันมาว่ากีก่ปนะีนั่นก็คือเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคแล้วก็ไม่ไม่บอกทางออกให้ปัญหาองค์เป็นปัญหาปัญหาเรื่องน้ําท่วมขาดน้ําภาคเหนือ ก็มีปัญหาอยู่น้ำท่วมขาดน้ําภาคอีสานก็มีปัญหาอยู่ตอนใต้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะการจะพูดอะไรก็ตามมันมองให้เห็นทั้งสามอย่างคือหนึ่งสภาพปัญหาสองเหตุเกิดสามทางออกตรองนึกให้ออกทุกทีเลยทีนี้ถ้าไม่มีทางออกให้เนี่ยพูดไปก็ท่านนั้นเองมันแก้ปัญหาไม่ได้ แล้วเราก็มีคนเป็นจำนวนมากนะฮะเช่นพวกนักนิสิตนักศึกษาลองสังเกตวอเธอเคลื่อนไหวเนี่ยมาเคยไปอบปรมที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งเขาเคลื่อนไหวสมัยนั้นเรื่องเหมืองแม่ว่าเขาซักเอาเลิกเลยเด็กไม่เคยนิมนต์อีกเลยที่นั่นนะการแก้ปัญหาแบบพุทธเนี่ยเราบอกต้องศึกษาถึงสภาพของปัญหาแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาด้วยแล้วสาเหตุของปัญหา แล้วก็ทางออกและวิธีการหลักการวิธีการในาการที่จะไปสู่ทางออกจากปัญหาตรงนั้นพอซักถามประเด็นต่งตางๆเข้ามาปรากฏว่าไม่รู้เรื่องแม้แต่เหมืองแรกยังไม่รู้เลยเมืองแรกคืออะไรเหมืองแรกมีกี่ชนิดลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นยังไงสังคมเป็นยังไงนะบุปผู้พวกบริโภคก็คใช้กันยังไงอะไรแต่ไรเนีไม่ไม่ไม่ไปเข้าใจอะไรเลยเป็นปัญหาที่น่าห่วง พวนี้ก็ถือที่จริงก็คืออาการของพวกนี้มันเป็นอุปสรรคของจิตก็คงจะพูดไปเป็นตอนๆแล้วก็ดีนะเราก็ได้คุ้นเคยกับพวกชื่ออาการของกิเลสบางอย่างะการแรกคือวิจิกิจฉาแปลว่าความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจตามปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นจากอายนิโสมานสิการคือไม่ใช่ปัญญาเหตุผลในการพิจารณาตรวจสอบประสบการณ์ ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของตนแล้วในสุดก็เกิดความเครือร่งสงสัยอาการของความเครือร่งสงสัยนั้นจะก่อให้เกิดอาการชะ ง, งักงนันคือไปไหนไม่ได้เทํานองคล้ายๆกันลองสังเกต ด, ดูนะฮะตรงไหนสงสัยและชะ ง, งักตัวทีเส้นตัวนี้เขียนยังไงตัวนี้ตอบยังไงตัวนี้พิมพ์ยังไงตัวนี้ไปยังไงตัวนี้ทํายังไงเนี่ยมันไม่ได้อะพอเกิดสงสัยเราติดทันทีได้ เราเดินทางนะสมมติว่าขับรถก็ดีเดินก็ดีไปเจอทางสามแพ่งรออยู่ข้างหน้าเนี่ยตอไม่แน่ใจเราก็ยืนตรงนั้นนะไม่รู้จะไปทางไหนตรงนี้เป็นกิเลสประเภทโมหะมันออกมาเป็นอาการถ้าเต็มที่เนี่ยก็ออกมาทั้งแปดอย่างนะสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสง์สงสัยในใจติขาคือศีลสมาธิปัญญานะคร สงสัยเรื่องอดีตสงสัยเรื่องอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตแล้วสงสัยในกฎของปจองัจกิรการคือกฎกระบวนการของเหตุผลเนี่ยทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนยไอสมาธิมันกระจายอะมันก็แตกมันเดินไม่ได้เพราะว่ามันไปอาเกิดอาการชะงักงันขึ้นภายในจิตใจและธรให้ใจมันไม่สามารถจะก้ารุดไปขนาดได้เพราะาในแสงที่เคยเห็นหรือว่านิมิตที่เคยเห็นเนี่ย มันก็เรือนหายไปนิวรณก็เกิดขึ้นแทนก็คล้ายๆกับอะไรแล้วคล้ายๆกับในขณะที่มีความเย็นอยู่เนี่ยมันก็รู้สึกสบายแล้วก็ความร้อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในสุดถึงจุดหนึ่งความเย็นหายหเราก็อาการหนักแล้วเดี๋นีจิตใจก็จะมีลักษณะอย่างนั้นทีประการหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอัมนะสิการ คือการไม่ทำไว้ในใจหรือการไม่ใส่ใจโด ย, ยวิธีที่เหมาะสควรแก่เหตุแก่ผลในใ น, ในเรื่องเหล่านั้นเพรางนั้นพวกเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้สมาธิมันเคลื่อนเพราะว่ามันเกิดอมนัสการไม่ได้ใครควรพิจารณาถึงสิ่งนั้นๆในบางกรณีบางโอกาสนะฮะก็แล้วแต่ คือว่าอาการภายในจิตของเราไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นอุปสรรคตลอดนะฮก็ขึ้นอยู่กับกรณีอะไรเพราะกรณีต่างๆที่พระเจ้าส่งประสบมานี่มันมีเยอะเหลือเกินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอาการของจิตเหล่านี้แต่จริงอย่าไปติดใจเรื่องธัรเรื่องสมาธินะไม่ไม่ใช่สมาธิก็เหมือนกันนั่นแหละเช่นว่าเรายินข่าวคราวในปัจจุบันเนี่ยโรคขาด มนักสิการเนี่ยเยอะเป็นอมนักสิการคือไม่ได้ใส่ใจโดยบายวิธีที่เหมาะควรเกิเหตุเกิดผลไม่ทําสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในใจแล้วนํามาคิดใกล้ควรนะเช่นเชเนี้ยเช่นข่าวแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่นํามาคิดได้มีเหตุมีผลแล้วก็ถูกต้มได้ตลอดพอพอตัวนี้เกิดมันก็เป็นกิเลสเหมือนกับความมืดหรือเหมือนกับความร้อนเนี่ย เพราะความเย็นกับแสงสว่างก็ลดลงเพราะทุกเรื่องที่ผ่านมาจะต้องมีโยนิโสมานสิการตรงนี้เป็นที่จริงก็เรียกอาจอา จ, จะเรียกว่าอโยนิโสมานสิการก็ได้นะคําว่าอามนานสิการเนี่ยไม่ค่อยนํามาเรียกบ่อยก็ปรากฏอยู่ในอุปกิเลสสูตรสูตรนี้ว่าด้วยอุปกิเลสล้วนมากันเยอะนะชื่อมันเยอะเลยแล้วอุปกิเลสก็คือสิ่งที่ทําจิตได้ขุนจิตได้เศร้าหมอง ตามปกปติที่เราคุ้นมันก็เป็นอุปกิรณ์16แต่อุปกิเลส16 ก, ก็แสดงว่าอีกแข่งหนึ่งพวกนี้มันเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทรงสัมผัสสัมผัสมาก่อนที่จะสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประการต่อไปก็คือฉีน้มิถะตัวนี้เป็นตัวนิวร์ดน่นะโอ้ละยากมากฉีน้มิถะอาการง่วงเหงาหานอนซึ่งซึมง้งอยเงาเมือลอยด้วยประการต่าง แล้วพวกนี้ถ้าเป็นไปมากมันกลายเป็นอาการอย่างหนึ่งคือซึมเศร้าเก็บกดแล้วก็ซึมเศร้าสุดท้ายมันก็สิ้งในชีวิตมันเคยมีโรคเหล่านี้เขาเรียกโรคเฉาตายมีอาจารย์ที่วิทยาลัยอย่างหนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านบอกถึงเพื่อนของท่านคนหนึ่งเป็นอาจารย์ก็สี่เจ็ด สามีก็สี่เจ็ดหรือสี่แปดในสี่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่ห่างกันแต่ว่าก็มีคนมาซุบซิบบอกว่าสามีไปมีพันญาน้อยพั อ, อาจารย์พวกนี้ก็สงสัยเรื่อยเดี๋ไม่กล้าถามไม่กล้าถามก็คงอับอายหรืออะไรเนี่ยน้อยอกน้อยใจก็ไม่ถามวัถ้าสามีมาช้าหน่อยก็นึกว่าคงไปอยู่กับเมียน้อย บางทีก็มีราชการด่วนต้องไปต่างจังหวัดอะไรเนี่ยก็บอกไปอยู่กับเมียน้อยท่านก็ปากของท่านอย่างนั้นเลยต่อมาคราวหนึ่งเนี่ยสา ม, มีเขาบอกไปราชการทางภาคเหนือนะฮะบอกหลายวันนะ่ะตั้งเจ็ดวันแต่ท่านไม่เชื่อคื อ, อแทนที่จะตามไปส่งไปเครื่องบินไปรถไฟหรือว่าตรวจสอบไปปลายทางอะไรแต่อะไรก็น่าจะทําไม่ยอมทํา และในสุดก็นอนหมดอะไรตาอยากมันก็ปรุงคิดคิดปรุงหลอกตัวเองหลอนตัวเองถือว่าสามีก็คงอยู่กับพันญาน้อยอย่างงั้นอย่างงั้นก็จินตนาการว่าเรืสร้างเองไงนะฮะฝันเองก็สร้างกันไปเองในสุดเป็นอาการซึมเศร้าเจ็ดวันเนี่ยข้าวปราไม่ได้กินเนี่ยนะไม่จะ่หรือ น, นอนแชะอยู่บนที่นอนเรียกนอนแช ะ, ะบนที่นอนนั่งแชะบนที่นั่งยืนแชะบนที่ยืนเนี่ยนะตรกนี้อาการจะหนักมาก แต่เคยพบวรรณคดีจีนเนี่ยคนเป็นอย่างเงี้ยมีเยอะเออก็โรคจริงเมื่อก่อนก็คัดค้ า, า, านอาจารย์นันผู้นัน้นเดี่วกันบอกเอมันมันจะเป็นไปได้หรือนอนแล้ตายเฉยๆไอไออดข้าวเนี่ยมันก็แน่นะก็ แ, แสดงว่าเป็นโรคทั้งกายทั้งใจแล้วในที่สุดก็ปรากฏว่ากว่าสามีจะกลับมาเนี่ยมาถึงพัญยาตายซะแล้วตายแบบเสาตาย แล้วก็เพื่อจะให้ให้เชื่อนะอาจารย์ทันรีก็เล่าเรื่องเรื่องสุนัขสุนัขวันติดเจ้าของนะฮะวันหนึ่งเจ้าของเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ส่งโรงพยาบาลด่วนะต้องนอนโรงพยาบาลตั้งหลายวันสุนักเกี่วิ่งหาเจ้าของวิ่งอยู่นั่นคางยงิงหงิงหงเห่าแล้วก็ครางเห่าแล้วก็ครางไม่เจอเจ้าของไม่ยอมกินข้าวกินปลา ก็ติดต่อบอกล่าวอะไรก็เธอไม่ได้อะนะพูดอยากยางั้นแต่คนก็ไม่ได้คิดว่าเถอจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าเฉาซึมเศร้าไม่ยอมกินข้าวนอนอยู่กับที่อย่างนั้นไม่กระดุกกระดิกจนขนในร่วงหมาขนปุยนะฮะร่วงหมดเลยขอเจ้าของกลับมาดีใจตะกุยลุกขึ้นตะกุยช็อกเลยโไปสลบไปีไปข้าจะคื่นตัวเป็นหมายใช้เวลาตั้งครึ่งเดือน ไอ้ น, นี่เป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกอาการเหล่านี้จริงๆมันเกิดขึ้นกับจเป็นทีน้ำมิทธะแล้วก็พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสมาธิก็เคลื่อนนะเระอกตรงนี้ในกรณี้สมาธิเป็นเทพอสมาธิเคลื่อนไอ้แสงสว่างก็หายรูปก็หายพวกนิมิตของอกรรมฐานนะฮะคือกรรมฐานเนี่ยบางทีแม้เราจะไม่มองรูปมองสีมองแสงอะไรต่ พวนาภาณสติเขาก็สามารถเกิดเป็นรูปขึ้นมาได้เพราะว่าจริงๆลมหายใจมันก็เป็นรูปนานฮะ mm. เกิดเป็นรูปขึ้นมาแต่รูปเขาดีแต่นั้นเองเป็นเมฆหมอกเป็นแสงจันทร์เป็นดาวเทไ์เนี่ยเป็นดวงดาวเป็นดวงอาทิตย์เป็นด ว, วงจันทร์กระว่าไปก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาจิตสงบแต่ว่าไม่ใช่เนื้อหาสาระนะ ตามปกติคนมักจะชอบไปยึดติดตรงนี้โดยก็เรียกว่าดิมิตนะฮะไปหลงดิมิตไปติดดิมิตประการต่อไปนั้นก็คือชั้มพิตั ต, ตะแปลว่าความสะดุ้งความหวาดกลัวอาการขนพองเสยองก้าวเป็นคำที่เราไม่ค็คุ้นเท่าไหร่นะฮะที่คนถ้าบวชประมาณสักสองสามปีก็คงจะคุ้นคำนี้อยู่ในตาชักกระสตรเป็นอาการขนพองเสียงก้าวคือสะดุ้งกลัว ตรเนี้เป็น ว, วิธีแก้ของของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์จะไม่จัดรสรู้จะเล่าไว้ในที่อื่นนะฮะว่าเวลาความกลัวเกิดขึ้นไปอยู่ในป่านี่กลัวมีคนเคยกราบทูลถามเหมือนกันว่าตอนอยู่ป่านี่กลัวไหมพระพุทธเจ้าแล้วสั่งถึงสอ ง, สองช่วงนะฮะช่วงก่อนเนี่ยเมื่อยังไม่หมดกิเลสมันก็มีกลัวเหมือนกัน แต่ว่ากลัวก็ถามมาแก้ยังไงก็รับสั่งมาถ้ากลัวตอนยืนก็ยืนอยู่หายกลัวเลยถ้ากลัวตอนนั่งอยู่ก็พระทับนั่งอยู่หายกลัวไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรม่หรอกอยากกลัวดีนักเวลาบรรทมอยู่ถ้าเกิดกลัวก็บรนทมอย่างนั้นไม่อยอมลุ้เข็ดดัดสันดานตัวเองเพราะนั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่เราน่าศึกษาติดตามคือแทนที่จะ ไปขวนขวายฝึกปลือยคนนั้นคนนี้คนน้นไปสั่งการคนนั้นคนนี้คนนัน้นบอกคนนั้นแต่งั้นคนนี้อย่างนี้คนน้นอย่น้นว่าเรายังไงอ่ะคือมันต้องกลับมาดูตัวเราเนี่เป็นอย่างไ ง, นนงไงห้ลองสังเกตว่าปัญหามันเกิดขึ้นแก่ใจเราเพราะงั้นสาเหตุของปัญหาเราก็ต้องอยู่ที่เราแต่ถ้าถามาคนทั่วไปนี่คิดอย่างนี้ไหมก็ไม่เคยคิดนะส่วนมากจะโยนปัญหาหแก่คนอื่น สาเหตุนะสาเหตุของปัญหาจะอยู่ในแก่คนอื่นโยนให้พ่อแม่บ้างครูบาอาจารย์บา ง, บาาบางสถานที่ศึกษาบ้างวัดว่าลำบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็รัฐบาลกับพระนี่สบายมากเลยคือโยนในรัฐบาลพอปัญหาเรื่องศีลธรรมก็โยนให้พระเลยก็ยังนึกถึงนานมาแล้วนะฮะพรรเอกปิ่นมุทุกันเนี่ยตอนนั้นก็เป็นพันโทมาปาตกระถาหน้ามเมน ไม่ใช่หน้าเมนังคือหน้าประสบสมเด็จพระสังฆราช้าวในวัดวรเนี่ยตอนก็นพูดบอกว่าปัญหาเยาวชนทั้งหลายเนี่ยคนในช่วยด้วยต้องช่วยดูแลรับผิดชอบเยาวชนของชาติก็คือพระได้อยู่ว่างๆมันมีลูกไมมีเต้าให้เอาลูกชาวบ้านมาู่เลี้ยงหน่อยนพระท่านหนึ่งท่านหัววัย่างน้นะท่านบอกว่าเอา้าแต่คิดได้พระเลี้ยงลูกชาวบ้านก็ ถือไปมีลูกซะเองไม่ดีกว่าเลยมันอีกปิดเลยงงไปเลยอันนี้คือคือคือบางทีเนี่ยเราคิดโยนในแก่คนอื่นว่าสมมุติว่าพระเลี้ยงนี่นะพระเท่าไหร่เราพระในเมืองไทยมีสักกี่องค์จะไปเลี้ยงลูกชาวบ้านได้ยังไงแต่ว่าคนพูดเนี่ยรู้สึกได้พูดทั้งนั้นเองปัญหาตรงนี้มันก็จึงอยู่ที่ เราจะต้องแก้ไขมันมันเกิดแก่เราเราต้องแก้ไขที่เราอย่าไปแก้ไขที่คนอื่นเช่นสมมุติว่าคนไม่ชอบเราเนี่ยทําไมเขาจึงไม่ชอบมันไม่ไปแทบไม่ใช่ไปท้าตีท้าต่อกับเขาเขามีสิทธิ์จะไม่ชอบแต่ว่าเราจะต้องเป็นเหตุให้เขาไม่ชอบไม่ใช่เขาเป็นเหตุให้เขาไม่ชอบเราต้องเป็นเหตุให้เขาไม่ชอบถ้าเขาเป็นตัวเหตุเขาต้องไม่ชอบคนทุกคนแต่การที่เขาไม่ชอบเฉพาะเราก็แสดงเรามีปัญหา เราก็ดูที่ทําตัวเอาดูควรจะแก้ไขยังไงปรับปรุงยังไงถ้าต้องการจใจเขาชอบแต่ถ้าไม่ต้องการก็เฉยๆเราไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะคราบอจริงคือคนเราในรับผิดชอบในกรรมของตัวเองแล้วถ้าทําไปเพื่อประจบไปแจงใครคนใด ค, คนหนึ่งก็ไม่ควรทําทําให้รู้ว่าอันนี้เป็นกุศลแล้วเราก็ทำํำอันนี้เป็นอกุศลเราก็เวน้นเท่านั้นเองวิธีคิดแบบพุทธเนี่ย คือถ้าเราโมไปจบไปแจงและในที่สุดเนี่ยมันจะทิ้งทำเพราะว่ามนุษย์ที่ใช้อารมณ์เนี่ยแล้วในสุดเมื่อเราค่อยตามเขาเราก็ไหลไปตามกระแสอารมณ์มาก็กลายเป็นบัณฑิตที่ทิ้งทำไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องวิธีการถูกต้องต้องแก้ที่ตัวเราเพราะกลัวตัวไหนก็แก้ที่จิตของเราให้หายกลัวเลยประดารต่อไปอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราไม่เคยคุค้นนะเขาเรียกว่าอุ้มพิละ คือการตื่นเต้นนะฮะตื่นตนกตื่นเต้นแล้วก็ลึกๆดีมีกังวล น, นิดๆนะ น, น, นะจะ ต, ตื่นเต้นกันสภาพแปดร้อ ม, มาการต่างๆบางทีเนี่ยมาไม่ถึงก็กลัวแต่ตื่นเต้นเป็นว่ามีเสียงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็มากไปนะฮะชักจะตื่นเต้นจักจะหวาดกวัวจนมาเสียงก็รอกมันร้องต่อกันเป็นแถวเราอยู่ในป่าเนี่ยนะ เราร้องต่อก็เมันแท้แก็ชักชักจะตื่นเต็มไม่ถึงก็กรวดเอ๊ะมัน อ, อะไรอะไรเกิดล้าล่างใจแตกเราจะเห็นชัดเจนว่าสมาธิแตกไปไม่ได้นี่ก็เป็นอุปสรรคอันตรายอย่างหนึ่งประโยคที่ทรงใช้ทรงใช้เหมือนกันทั้งหมดนะฮะบอกว่าอุปิระแลเกิดขึ้นแก่เราสมาธิของเราก็เคลื่อนแล้วเพราะมีอุปหระนั้นเป็นต้นเหตุ นะเพราะฉนั้นบางทีที่มันสมาธิแตกเนี่ยมันไม่จะแตกเพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเรื่องมันเยอะกิเลสเยอะจะอย่าลืมว่ากิเลสเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่ามันมาจากโทสะหรือโมหะเนี่ยมาจากโมหะส่วนใหญ่มาจากโมหะมาจากโลภะอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้นอย่างโน้นพอไม่ได้ก็เกิดความกลัวหรือเกิดความตื่นเต้นแต่บางทีก็มันเป็นอาการที่ไม่รู้เหตุผลนะฮะตื่นเต้นไปเรื่อยอย่างนั้นเอง เป็นลักษณะของคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองทั้งฟังทั้งหลายแต่รมประภทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญพร้องงามไปบุญในธรรมยมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี